วันนี้วันเข้าพรรษาเดี๋ยวนี้วันเข้าพรรษานะพระจะเหลือน้อยตอนนี้เหลือพระประมาณแสนแสนแส น, น่อยๆวันก่อนลองถามพวกเราดูพระมีแสนกว่าเนะชื่อว่าเป็นพระมีศีลสักกี่องค์อนะไรสักกี่เปอร์เซ็นต์แหมยโยมบอกไม่ได้ห้าเปอร์เซ็นตะ์ อาจจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าภาพภาพลักษณ์ไม่ดีเลยแต่พอถามว่าแล้วยมมีศีลมีธรรมกี่เปอร์เซ็นต์นะยิ่งหนักใหญ่เลยเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ไม่มี <c oughs> ท่านพุทธทาสนะประกาศานานาแล้วศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาสนะวันนี้เราเข้าขั้นโลกาวินาสนแะล้วนะมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่ต่ำต่ำมากๆนะ อยู่แบบกับปัจจุบันจริงๆนะเพราะเราไม่เห็นอนาคตไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ mm hmm. แค่คิดว่าสังคมเราจะเรียบร้อยสงบสุข mm hmm. หวังยากนะ mm hmm. ยาก mm hmm. เดี๋ยวนี้เด็กๆ เ, เขามีท่าอะไรนะแพลงกิ้งรู้จักไหม <laughs> <laughs> บางคนก็แข่งกันนั่งพับเพียบ <laughs> ใช่ไหม พวกเรานั่งเก่งกว่าเรานั่งกันมานานแนละ้วนั่งพับเทียบจะนั่งให้ถูกท่าใช่ไหมต้องนั่งยอดถื ง, ถงดูหาสารหาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยชีวิตรู้ทำไปเพื่ออะไรสนุกเพลินๆกันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นชีวิตจะไปว่าเขาประมาทก็ว่าไม่ได้นะเขาไม่รู้มันน่าสงสาร คนในโลกนะั้นมันก็ตะเกียกตะกายไปอยากหาความสุขกันทุกคนแนะแต่มันหาไม่เป็นมันถูกหลอกให้มีแต่กิเลสตัณหาถูกย่อยุให้มีกิเลสตัณหาหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งกิเลสเยอะก็แว่ยิ่งดีเนาะยิ่งเราต้องเตรียมความพร้อมนะเราจะไปหวังอะไรเนี่ยเราไม่มีความหวังนะ เตรียมความพร้อมของพวกเราเองพวกเราไม่เท่าไรหรอกคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะพวกนี้น่าสงสารเขาไม่งงหรือเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะถ้าเขามีโอกาสสัมผัสธรรมะเขาก็อาจจะถูกน้อยลงอย่างพวกเด็กวัยรุ่นพวกนี้เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่เป็นเหยื่อหาเงินหากเด็กนะหาง่ายเด็กมันใช้เงินเก่งมันไม่เคยหาเงิน ก็ทำอะไรไปซึ่งมันดูเราไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสนุกเฮฮาไปวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเราวันหนึ่งเราต้องไปช่วยเขาช่วยเขาพวกเราภาวนาให้ดีแล้วเราก็ช่วยกันประกาศธรรมะออกไปเหมือนหลวงพ่อเป็นเทียนเล่มหนึ่งนะเราต่อเทียนให้พวกเราทุกทุกคนไปวันหนึ่งพวกเราไปต่อเทียนให้กับคนอื่นเขาอีก หน้าที่ของชาวพุทธเรารักษาสืบทอดพระพุทธศาสนากันมานะเรารักษากันมาอย่างนี้แหละมาหลายรุ่นหลายสมัยแนละ้วตั้งสองพันห้ปีมาแนละ้วรู้เราบอกต่อนะต้องรู้ก่อนนะแล้วบอกต่อไม่รู้เราบอกต่อก็จะบอกเขาผิดๆคำว่ารู้รู้แค่ไหนเคยมีคนไปตั้งคําถามหลวงุท่เทศว่ารู้แค่ไหนถึงจะบอกต่อได้ ต้องเป็นพระอริยะไหมเป็นปุถุชนเนียบอกธรรมะคนอื่นได้ไหมท่านเปรียบเทียบให้ฟังนะบอกหมอหมอบางคนนะเป็นโรคนะตัวเองเจ็บป่วยรักษาคนอื่นได้ไหมหมอที่ป่วยเนี่ยยังรักษาคนอื่นได้นะงืนพวกเราจิตใจพวกเรายังมีเชื้อโรคยังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่ถ้าเรารู้วิธีรู้หลักเราบอกเท่าที่เรารู้นะอย่าบอกเกิน อยบอกเกินถ้าบอกเกินเราจะเพี้ยนก็ไม่ต้องพยายามคิดทฤษฎีอะไรใหม่ๆคิดที่มาก็เพี้ยนนั่นแหละมันเป็นศาสตธรรมปฏิรูปเหม น, นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไวนะ้นั้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดธรรมะใหม่ๆขึ้นมาถ้าจะคิดขึ้นมาก็คิดแค่วิธีถ่ายทอดธรรมะของเกา่าแต่วิธีต้องใหม่วิธีต้องสดวิธีเผยแพร่ธรรมะของเก่าๆไม่ได้เก่าๆมันตาย ธรรมะก็จะตายตามคนสอนไปด้วยอย่างถ้าหลวงพ่อนะมาถึงก็ขึ้นธรรมะ ต, ตั้งน้ำมูพวกเราฟังไหมก็คงนั่งแล้วก็เขตแเราไม่มาละในทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมของพุทธเนี่ยคนนั่งมีเกียรติมากกว่าคนยืนคนนั่งเงินบางทีเวลาภิกษุทั้งหลายนะ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาจะถามธรรมะอะไรท่านลุกขึ้นยืนนะยืนพนมมือถ้าของเราต้องนั่งใช่ไหมของธรรมเนียมพราหมณ์เต้องยืนยืนที่เป็นผู้น้อยนี่เราค่อยๆศึกษาธรรมะนะธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากธรรมะจริงๆเป็นเรื่องของตัวเราเองการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ตัวเราเองอย่าไปว่าภาพการปฏิบัติธรรมว่าคือการนั่งสมาธิเหาะได้หายตัวได้ทำอย่างน้นอย่างงี้ได้ที่ผิดมนุษย์มนาไม่ใช่การศึกษาธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเองให้เข้าใจตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจสิ่งอื่นเข้าใจโลกเรากระทั่งตัวเองเราก็ไม่เข้าใจเราไม่รู้จักล้วก็หลง ตัวยังไม่รู้จักยังรู้จักอะไรท่องแทมเป็นไปไม่ได้งั้นการศึกษาธรรมะก็คือการเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยสองส่วนคือรูปธรรมกนามาธรรมตัวเรามีรูปธรรมไหมใครมีใครไม่มีมีไหมใครไม่มีร่างกายมีไหมมีไหมสัตว์ที่ไม่มีร่างกายมีพวกอรูปปลมะ นามธรรมพวกเรารู้จักไหมพวกความรู้สึกนึกคิดพวกความรู้สึกนะพวกความรับรู้นะความรู้สึกก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยการนึกก็คือความจําได้ความหมายรู้การคิดคือความปรุงดีปรุงชั่วความรับรู้ก็คือตัวจิตตัวใจตัววิญญาณความรับรู้นี่เป็นนามธรรมพวกเรามีความรู้สึกนึกคิดแล้วความรับรู้สี่อย่าง นะเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวอยู่แล้วเราจะมาเรียนรู้มันเรามีร่างกายอยู่แล้วเราจะมาเรียนรู้มันรวมแล้วเป็น5้าอย่างนะเรียกว่าขันห้าเรียนรู้ความจริงของขันห้านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเรียนรู้ว่าความจริงของขันห้าเป็นยังไงอะไรคือความจริงของขันหนะ้าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะคือความจริงของขันหนะ้า เราจะต้องมาเรียนให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์อะนนี้จังทุกขังอนัตตาของขันห้าหรือของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานั่นเองทั้งรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมมีหนึ่งนามธรรมมี4ี่ภาษาแขกเรียกเบทนะคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยสัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือความรับรู้ ก็คือตัวจิตนั่นเองเนี่ยรวมแล้วห้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งนำมาทำสีนะเรามาเรียนรู้ความจริงให้เห็นในรูปธรรมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา น, ะนามาทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไล่ขันห้าลงเป็นไตรลักษณ์ชื่อพระสูตรอะไรอะไรเอ่ยดังๆสิ โอ้มีคนตอบได้หลายคนอนัตตลักษณะสูตรอนัตตลักขลักณะ ล, ลักษณะของความไม่ใช่ตัวตนท่านไล่เลยตั้งแต่ดูก่อนพิสูทั้งหลายดูคระพริสูทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไไล่ถึงความเที่ยงหรือไม่เที่ยงท้าปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์คือความทนอยู่ไม่ได้ของไม่เที่ยงนะทนอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยทนอยู่ไม่ได้ของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ของที่ทนอยู่ไม่ได้นั่นควรเห็นว่าเป็นตัวเราไหมมีอัตตาตัวตนถาวรไหมมีความเป็นอมตะไหมก็ไม่มีความเป็นตัวตนถาวรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงของไม่เที่ยงนั้นอ่ะมันเป็น ของที่ทนอยู่ได้ตลอดไปไหมก็ทนอยู่ไม่ได้ของที่ทนอยู่ไม่ได้หมายถึงมันเคยมีแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องไม่มีมันก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรนี่ถ้าไล่ขันห้าอย่างนี้นะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไล่ด้วยการตั้งคำถามเพราะนบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนด้วยการตั้งคาถามวิธีสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายอย่างนะใช้บรรยายก็ได้ใช้ถามก็ได้ใช้ช็อกเอาก็ได้ ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเรียนรู้ความจริงนะให้เห็นขันห้าเป็นของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ของซึ่งทนไม่ได้นะวันหนึ่งมันก็หายไปนั่นแสดงว่ามันไม่เป็นอมตะไม่ไม่ถาวรไม่อมตะไม่ใช่อัตตาถ้าเป็นอัตตาจะเป็นอมตะแต่ว่าพวกเราชาวพุทธไม่ได้เรียนเรื่องความเป็นไตรลักษณ์ของขันห้าของรูปของนาม เราก็มีความรู้สึกผิดผิดมีความเชื่อผิดผิดฝังจิตฝังใจมาเพราะพวกเราโดยพื้นฐานเนะีปุถุชนเป็นมิจฉาทิฏฐนะิเราเป็นปุถุชนเรามีมิจฉาทิฐิเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งพอร่างกายตายเรายังรู้สึกนะจิตดวงเดิมเนี่ยไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นอมตะจิตนี้เป็นอัตตานะพระบางงค์ไปสอนกันด้วยซ้ำไปว่าจิตเที่ยง สอนมิจฉาทิฏฐิชัดๆเลยนะครูบาอาจารย์ยังสอนเลใครเห็นว่าจิตเที่ยงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐนะิแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสิ่งซึ่งเจือปนอยู่ในจิตของปุถุชนเป็นธรรมชาติเลยเมื่อเรายากคิดว่าจิตเที่ยงเช่นว่าในจิตเนี้ยพอร่างกายตายแล้วจิตดวงเดิมนี้แหละออกไปเกิดใหม่ถ้าพวกเรายัางเชื่ออยูอย่างนี้เรายัางไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริง เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเที่ยงอีกพวกหนึ่งเห็นว่าเป็นคนอยู่ตอนนี้นะถ้าตายแล้วก็ศูนย์ไปเลยขาดศูนย์นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องความเที่ยงหรือความขาดศูนย์แต่ท่านสอนว่าสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิดสิ่งใดมีเหตุเมื่อเกิดมาแล้วพอเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับ ท่าสอนตรงนี้ต่างหากงั้นมันไม่มีคาว่าเที่ยงหรือคาว่าขาดศูนย์ถ้ายังมีเหตุก็มีอีกถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีงั้นอย่างตายแล้วเนี่ยจะเกิดอีกัหมถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดถ่าไม่ได้สุดโต่งไปข้างว่ามีหรือศูนย์มีอมตะหรือว่าศูนย์ไปเลยสิ่งทั้งหลายสัมผัสทั้งสิ้นเลยความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของสัมผัสทั้งสิ้น เกิดมาจากเหตุแล้วอยู่ชั่วคราวนะก็เคลื่อนไหวไปทําไมมันต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุของมันเปลี่ยนเพราะเหตุของมันเปลี่ยนอย่างไฟไหม้นะะไฟไหม้ถ้าเราไม่ดับมันจะดับไหมเวลาไฟไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ไปดับมันมันจะดับไหมดับเพราะเหตุของมันก็เปลี่ยนอย่างมันไหมู้่หมดเมืองแล้วไม่มีอะไรจะไหม้ไฟก็ดับนะไม่มีเหตุละคือไม่มีเชื้อเพลิงมันก็ดับโกรธขึ้นมา หรือเสียใจเศร้าเสียใจไม่ต้องแก้มันเลยมันจะหายไหมหายเพราะว่าอะไรความโกรธหรือความทุกข์หรือความเศร้าเสียใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีเหตุนะเพอมีเหตุนะ้าเกิดไปนานๆนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนนะความรู้สึกเน่กคิดก็ค่อยเปลี่ยนไปนะนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะโดยตัวมันเองมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเพราะมันไม่เที่ยงมันคงอยู่ไม่ได้นะ มันบังคับไม่ได้ด้วยอย่างลูกตายจะห้ามไม่ให้เสียใจห้ามไม่ได้เสียใจไปช่วงหนึ่งมันเลิกเสียใจก็ห้ามไม่ได้ที่รู้สึกเลิกเสียใจไปแล้วมารู้สึกบ้างไหมใจร้ายจังเลยไม่เสียใจซะละอะไรเงี้ยเคยรู้สึกไหมเออเคยรู้สึก guilty ว่าแม้น่าจะร้องไห้ทุกวันวลาสามเวลาตลอดชีวิตตายใหม่ๆก็คงคิดอย่างนั้นแหละพอผ่านไปแล้วไม่เป็นไม่เป็นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง เน่ถ้าเราเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์นะกระทั่งทุกข์ที่สุดนะลูกตายถ้าโดยธรรมชาตินะมันก็ปล่อยให้มันหายใช้เวลาแต่พวกเราชาวพุทธไม่ต้องรอนานขนาดนะั้นเราพาวนาเป็นนะเรารู้วิธีที่จะจัดการกับจิตใจของเราเองไม่ใช่จัดการกับความทุกข์นะจัดการกับจิตใจของเราเองจิตใจของเราปฏิเสธความทุกข์มันเลยยิ่งทุกข์มาก เรารู้ทันความทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตรู้ด้วยใจที่เป็นกลางมันมีเหตุมันก็ต้องมีไม่ไล่มันหรอกเพราะมันยังมีเหตุอยากให้มันหายมันไม่หายตามอยากเพราะเหตุมันยังมีหรือมันจะหายไปเหตุมันหมดแล้วมันต้องหายแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันอยู่ใจเราเป็นกลางถ้าใจเราฝึกไปเรื่อยนะเราหัดภาวนาไปเราเห็นทุกอย่างนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา โดยเฉพาะมาเรียนรู้อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยถึงวันหนึ่งจิตมันสรุปความจริงได้ว่าทุกอย่างนะรวมทั้งกายทั้งใจของเราด้วยรวมทั้งโลกภายนอกด้วยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนเรียนรู้ตรงที่กายที่ใจตัวเองนี่นะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจโลกข้างนอกด้วยอย่าไปเรียนจากโลกข้างนอกนะอ้อมค้อมนะเรียนโลกข้างนอกเห็นโลกข้างนอกไม่เที่ยงแต่ตัวเรายังเที่ยงอยู่นะนี่เสียเวลาต้องมาล้างตรงที่ตัวเรานี่ีก แคมาเรียนรู้อยู่ที่ขันห้าของเราเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเรานี่เองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานีน่เรียนรู้ลงไปมีแต่ความไม่เที่ ย, ยงมีแต่ความเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้นะมีแต่ความเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรอนัตตามีหลายนัยยะหลายความหมายนะแปลว่าบังคับไม่ได้ก็ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนถาวรก็ได้ไม่มีอมตะอย่างนี้ก็ได้นะ นี่เราเฝ้าดูเฝ้าดูไปนะหรือไม่เป็นเจ้าของนะอย่างนิพพานเนี่ยเที่ยงนะแต่นิพพานเป็นอนัตตาเพราะอะไรนิพพานไม่ได้เป็นของใครนะคาอนาัตตากว้างนะมีความหมายหลายหลายนัยยะมากเลยอ น, นิจจังของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาเรียกว่าอ น, นิจจังของที่เคยมีอยู่แล้วหายไปนี่เรียกว่าอ น, นิจจังนะ ของซึ่งกําลังมีอยู่นั่นแหละถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีอย่างความไม่ทุกข์อย่างพวกเราตอนนี้อาจจะไม่ทุกข์ถึงช่วงหนึ่งความไม่ทุกข์ของเราก็ทนอยู่ไม่ได้กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ทั้งตัวทุกข์และตัวไม่ทุกข์นะก็ล้วนแต่เป็นตัวทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้คาว่าทุกข์ราทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเราเรียนรู้ลงมาในกายในใจมาเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อย ใครดูความจริงของมันอย่าไปดัดแปลงมันดูซิร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูซิเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูลงไปว่าความปรุงดีความปรุงร้ายกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่เราดูซ้ำซากลงไปนะดูลงไปที่จิตที่ใจจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิดไม่เที่ยงหรอก เดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ห <t información> ูแล้วก็ดับเดี๋ยวจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับนะถ้าเราดูเป็นนะเราจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับตอนนี้ใครเห็นถึงตรงนี้บ้างเมื่อจิตเกิดที่ตาแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่ใจแล้วดับลองยกมือซิมีไหมใครเห็นตรงนี้บ้างเห็นตรงนี้เรียกว่าสันตติขาดนะนะ ถ้ายังไม่เห็นถึงสันตติขาดจะรู้สึกจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาใครเห็นอย่างนี้บ้างยกมือซิเป็นไปไม่ได้ที่จะน้อยกว่าพวกแรก <laughs> เป็นไปไม่ได้นะยกเว้นสังคมของพระอริยะ อย่างถ้าพระพุทธเจ้าวันแสดงโอวาทปาติโมกนะพระาลารหันพันสองร้อยรูปมานั่งอยู่พร้อมกันถ้าพระพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายใครเห็นบ้างว่าจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูวิ่งทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจภิกษุพันสรูปจะนั่งเฉยๆไม่มีใครเห็นเลยนะภิกษุพันสองร้อรูปเห็นยังไงเห็นจิตเกิดที่ตาเราก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับสันตติ คือความสืบเนื่องขาดจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะงั้นเราไม่ต้องตกใจถ้าเราเห็นจิตยังวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้ววิ่งกลับมาก็ยังดีกว่าคนไม่เคยเห็นเลยนะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกมาหนึ่งสติสมาธิปัญญาเราพอนะสันตถถิก็ขาดให้ดูเราเห็นว่าจิตไม่ได้เป็นดวงเดิมหรอกจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งนะจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งคนละดวงกัน แล้ค่อยๆฝึกมาเรียนรู้ความจริงของขันไปเรื่อยขันที่เรียนยากที่สุดก็คือตัวจิตนั่นเองตัวรูปนี่เรียนง่ายใครเคยเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างเห็นสักแวบบสองแว บ, บก็มีไหมยกมือสิใครเห็นกายไม่ใช่เรายกสูงๆหน่อยยกสูงๆโวเยอะมากผู้ที่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้ไหมแท้หรือยังยัง พระพุทธเจ้าบอกดูครับภิกษุทั้งหลายนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับพวกเราเป็นปุถุชนที่ได้สดับนะเนี่ยเราเกรดเราสูงกว่าเขานะพูดเพื่อให้เพิ่มมานาอัตตาเย <c oughs> ได้เอามานาอัตามาเป็นกำลังใจภาวนาท่านบอกดูครับภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะอะไรร่างกายมันอยู่ไม่ทนนะมันเห็นได้เดี๋ยวมันก็แก่ใช่ไม หน้าตาของเราวันนี้กับหน้าตาเมื่อปีกลายไม่เหมือนกันหรอกนะอาจจะไม่รู้สึกนะแต่ถ้าไปดูรูปถ่ายแล้วจะรู้นะจะแก่ขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่ดูรูปไม่รู้หรอกจนะรู้สึกยังสาวเหมือนเดิม <c oughs> เราตอนเด็กๆกับเราตอนนี้ไม่เหมือนกันนะร่างกายนี่เห็นง่ายว่าแปรปรวนนะแต่จิตนี่เห็นยากที่สุดนะความใครเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์แปรปรวนไม่ใช่ตัวเรา เป็นของที่แยกออกไปจากจิตใครเห็นอันนี้ยกมือซิอมีไหม่าอย่างเยอะเห็นไหมใครเห็นว่ากุศลอะกุศลอย่างความโลภความเกลียดความหลงไม่ใช่จิตบ้างมีไห ม, ม ย, ยกมือซิแล้วก็เยอะนะพอๆกันแหะคือถ้าเห็นได้ว่าเวทนาไม่ใช่เรานะก็เห็นสังขารไม่ใช่เราได้ใครเห็นจิตไม่ใช่เราบ้างมีไหมเห็นเป็นแวบๆบแบบเป็นคลาล์คลามีไหมก็มีนะยังเห็นได้แต่จิตยังยอมรับไม่ได้ ถ้าวันใดที่จิตยอมรับได้พระโสดาบันพวกเรารู้สึกไหมเราเป็นปุถุชนแบบปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเมีมากไม่ออกไหมแต่พวกเราไม่ได้เป็นปุถุชนไม่ได้สดับนะเราได้สดับแ ล, แล้วเราก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เราเห็นเยอะนะส่วนที่น้อยขึ้นมาเราเริ่มเห็นนามาทำเวทนาคือความสุขทุกข <นะ S 1> ์เห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเราก็ยังเห็นได้ มีส่วนหนึ่งเห็นได้มีส่วนน้อยลงไปอีกนะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรายอมรับได้ไมกายไม่ใช่เราบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็ยังหยอบไม่ได้ถึงเห็นว่าไม่ใช่เราก็ยังรักยังยึดถือนะคนรละอันกันนะระหว่างความเห็นกับความยึดถือนี่ควละอันกันนะความเห็นเรียกว่าทิฏฐิความยึดถือนะเรียกว่าอุปาทานเป็นองค์ธรรมคนละชนิดกันเรามีความเห็น ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ยังรักอยู่นะพระสักคาคามีเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ยังยึดร่างกายอยู่นะพระนาคาเนี่ยไม่ยึดร่างกายแล้วนะแต่ยังยึดจิตอยู่เห็นจิตไม่ใช่เรามาตั้งแต่หัดภาวนาอย่างนี้แหละเริ่มเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราเห็นอย่างทองแท้ว่าจิตไม่ใช่เราเมื่อเป็นพระโสดาบัน แต่ก็ยังยึดจิตอยู่อยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตมีความสงบอยากให้จิตมีความดีงั้นถ้าถามว่าพระอนาคาาเนี่ยคลุ้มคลั่งอะไรมากที่สุดนะคลุ้มคลั่งในการถนอมรักษาจิตมากที่สุดเลยห่วงที่สุดนะประคับประคองคล้ายๆลขี้ฝุ่นมเก่อเนี่นึงก็ปัดปัดใครเคยได้ยินชื่อชินเชาบ้างชินเชาชินเชาชเขียนฉลกธรรมะเขียนฉลก บอกว่าจิตเหมือนกระจกเงาใสใช่ไหมกิเลสเหมือนขี่ฝุ่นต้องคอยปัดขีฝุ่นเนี่ยถนอมรักษาจิตเว้ยหลังเขียนบอกว่าอะไรเขียนว่าอะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วว้ยหลังว่าอะไรไม่มีกระจกใช่ไหมออแล้วฝุ่นจะจับอะไรไม่มีกระจกหมายถึงอะไรไม่ยึดจิตแล้วพอไม่ยึดจิตนะไม่มีที่ตั้งของกิเลสแต่เขียนไปอย่างั้นแหละเขียนด้สติปัญญานะ เพราะว่ายังไม่ได้บรรลุพระอ ร, ราหันต์เพียงแต่ราบคนอื่นเขาเขียนเห็นเขาเ ข, าเขียนเอ้ยมันไม่ถึงหรอกเนี่ยจีเนียสปัญญาลั้มยังไม่ถึงจนอาจารย์ตบหน้าเอาทิ้งถอดรองเท้าตบหน้าเขียนได้ยังไงอย่างนี้ตกกลางคืนไดย่องไปหาอาจารย์อาจารย์เทศให้ฟังถึงได้บรรลุถึงได้ธรรมะขึ้นมาไหมเพราะงั้นบางทีปัญญาลั้มหน้าได้พวกเราพวกปัญญาลั้มหน้าเยอะนะ ยิ่งฟังหลวงพ่อเทศเรื่องจิตไม่ใช่ตัวเราต้องทำลายผู้รู้อะไรเงี้ยนะไม่ยึดถือจิตเห็นจิตเป็นทุกขนะ์เราก็ตอบได้เยงเลยนะถ้าวันใดเห็นจิตไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาวันใดไม่ยึดจิตก็เป็นพระรอรหันต์ตอบได้หมดเลยเนะพราะฟังซีดีมาจนะนะนะ ต, ต้องภาวนาภนะาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็เห็น ขั้นแรกเราเห็นก่อนว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรารูปธรรมนามธรรมนี้ไม่ใช่เรานะพอเห็นอย่างนี้ได้จิตใจยอมรับได้อย่างแท้จริงนะไม่ใช่เห็นวับแวบวับแว บ, วบเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็ไม่เป็นเรานะบางคนบอกเป็นพระโสดานะหลวงพ่อบอกใจเย็นเย็นพระโสดาอางค์นี้ใจเย็นเย็นดูไปสักสามเดือนเผลอๆมีเราขึ้นมาไหมนะบางคนกลับมารายงานสามเดือนแล้วก็ยังไม่มีเรา บอกอ๋ออีกปีหนึ่งก็ไม่มีพระธรรมจิตไปอย่างเงี้ยจะเป็นเราอะไรไม่คิดไม่นึกเลยทาจิตทื่อๆอยู่อย่างเงี้ยนะงั้นอย่างถ้าสงสัยนะใครเป็นพระโสดาหรือเปล่าแล้วเห็นทำจิตทื่อๆนะแกล้งมันเลยให้จิตเคลื่อนพอจิตเคลื่อนนะเดี๋ยวไม่เป็นเราหรอกเป็นกู <c oughs> หนักกว่าเป็นเราอีกะ <c oughs> แต่ถ้าจิตนิ่งติดสมาธิอยู่ดูไม่มีตัวตนะ นะถ้าเมื่อไรใจยอมรับความจริงนะว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรายอมรับก็จะเป็นพระโสดานะถ้าวันใดใจยอมรับความจริงใจเห็นอย่างถ่องแท้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยไม่ควรยึดถือนะยึดก็คือยึดเอา ก, ก้อนทุกไว้เหมือนไปถือฐานไฟแดงๆไว้ในมือจิตมันจะสลัดขันห้าคืนให้โลกเป็นพระอรหันต์นะ เพราะนตั้งแต่จะเป็นโสตบัญจนยันพระรหันมีแต่เรื่องเรียนรู้ขันห้าเรียนรู้รูปนามเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองทั้งสิ้นเลยนะงั้นพวกเรามาหัดเรียนรู้ตัวเองนะอย่าใจลอยถ้าใจลอยเราก็ไม่ได้เรียนรู้ตัวเองอย่านั่งเพ่งกายอย่านั่งเพ่งใจถ้าเพ่งกายกายก็นิ่งไม่แสดงใจรักถ้าเพ่งจิตใจนามาทําทั้งหลายก็นิ่งไม่แสดงใจรักษ งั้นอย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าลืมแล้วก็ไม่เห็นกายเห็นใจอันที่สองไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปด้วยจิตใจที่สบายๆรู้ไปอย่างสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ถ้าทําได้อย่างนี้วันหนึ่งก็จะเห็นว่ารูปนามขันหานี้ไม่ใช่ตัวเราวันหนึ่งก็จะเห็นว่ารูปนามขันหานี้เป็นตัวทุกข์ นั่นมันมีแต่เรื่องเรียนรู้ตัวเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ตัวเองนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเองก็คือรูปกระหน่ำนั่นแหละนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะสิ่งที่ทําให้เรียนรู้ไม่ได้มีสองอันอันหนึง่งเผลอไปใจลอยไปมีร่างกายแล้วก็ลืมมันมีจิตใจแล้วก็ลืมมันอันที่สองก็ไปเพ่งกายเพ่งใจไปก็นิ่งๆทื่อๆร่างกายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนทื่อๆใจเคลื่อนไหวทื่อๆบางทีไม่เคลื่อนเลยใจนิ่งไม่มีไตรลักให้ดู ทางสายกลางนะั้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะแล้วปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับไปเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นทุกขนะ์ก็ปล่อยวางถ้าเดินกันทางนี้นะหากเชิญไปทานข้าว